อันนี้ภูตึงเสกะมาลาชาคะเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากนะโยมยินดีแจกใจให้ทานนะเด็ก็เป็นทานสังวิภากระตาเขาพร้อมจะให้ทานตลอดเวลาแต่ลักษณะของการให้ทานเรื่องนี้ก็เจตนาสำคัญ ความตั้งใจการจดจำนูนี่แหละในกรณีนี้เจตนาเป็นยังไงโยมพระพุทธเจ้าอธิบายว่าการให้ทานกองบรรดาสาวกมีลักษณะที่สำคัญคือมีการละความตนีอันเป็นมนถินแห่งจิตแสดงว่าเขาชอบแบบนโยมเวลาให้ทาน ชอบจิตติปราศจากกิเลส น, นี่คือจุดโฟกันของอริบุกุลเมื่อให้ทานโดยการให้ทานแบบนี้ทาให้จิตปราศจากเครื่องเสาโมงแห่งจิตนี่คือจุดโฟกันของเขาแสดงว่ามีความตั้งใจมากในการละราคะตูสามโมหะแม้ขณะที่การให้ทาน ใส่ใจอะไรอยูใส่ใจในการละราะตุสัมมหะดังนั้นนึกออกเลยไหมโยมขณาที่ให้ทานก็มีความใส่ใจมีความตั้งใจในการละราะตุสัมมหะดังนั้นเวลาฟังธรรมะเดินจงกรมนั่งสมาธิมีความตั้งใจมาแค่ไหนดังนั้นเมื่อปวกโยมให้ทานใส่บาได้ตรง มองดูจิตใจว่าเป็นยังไงเรามีความตั้งใจแบบนี้ไหมนี่แหละเจตนาเป็นตัวสำคัญดังนี้เวลาให้ทานมีการใส่ใจมีความตั้งใจจะทำให้จิตปราศจากเครื่องเสารมองแห่งจิตไหมดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือเมื่อให้ทานจิตเบิดบานมีความบันเทินใจเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ กรมฉันทะบยปาตอาการง่วงนอนฝุ่งซ่านความหลังลี้สงสัยน่อยล่องเบาบางสรุปก็อกุศลลธรรมน่อยล่องเบาบางกุศลธรรมเกิดขึ้นสแสดงว่กากนาที่ไห้ทาก็เขามีการปราลบความเพียงในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรม แสดงว่าขณะที่หายทานเขามีสติสัมปชัญญะเกี่ยวกับกุศลและอกุศลละธรรมมีการปรารบในการละอกุศลละธรรมนี่แหละอาตาพิสัมพชานสุสติมาแม้หายทานเขาเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานในกระทขณะที่าหายทานน่โยมถ้าเป็นอย่างนี้การให้ทานไม่ได้อยู่นก ปฏิบัติธาสำหรับสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนี้เวลาโพกระบางกอนก็พูดถึงให้ทานพ ว, ว่าให้ทานนะยังเดียวก็ไม่พอนะทรองมาปฏิบัตนะิเขาไม่รู้วิธีวางจิตขณะที่ให้ทานอย่างไรความจริงก็เราต้องหาเวลาวิเวกฝึกสติสมาธิปัญญาอันนี้เรืองจริง ก็เลก้นี้สุนันทาอุบาสิกาก็มีความยินดีแจ้งใจให้ทานเป็นนิดอธิบายว่ามอมฉันมีจิตเหลื่อมใสในเล่าปิกษุผู้ปฏิบัติตรงอุบาสิกาก่อนนี้ก็มีความเหลื่อมใสในบรรดาสาวก ข, ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติตรงนี่หละสาวกที่อุจุปาฏิปันโนเดี่ยก็อุจบุตชีวิตตรงภายในและภายนอกไม่ได้มีความแตกต่างกันไม่ใช่ว่าต่อหน้าอีกแบบหนึง่งลับหลังอีกแบบหนึง่งลักษณะแบบนี้ไม่เหมาะกับเข้าสู่อริยมรรค มุ่งมั่นในการละราคาถูกสามหมก็เลยก็ชีวิตเรียกว่าเป็นอยู่ในปฏิปทาที่ตรงตรงเกี่ยวกับเรื่องอะไรในการละราคาถูกสามหมอไม่ใฉ่ว่าบางช่วงก็สนใจละราคาถูกสามหมบางบางช่วงก็ไม่สนใจเลย ไม่ใช่อย่างนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องหนีเป็นลักนี่ทากายากรัวสมัยกรอุบาสกอุบาสิกาเวลาถวายสังฆทานถวายอะไรบ้างไหมผ้าท่าหมนี่และจีโวนพัตตาหารเสนาสนะเครื่องต่างๆเครื่องหอมปฏิทินนี่คือสิ่งที่นาไปถวายกับ พระภิกษุสงฆ์นี่คือการให้ทานของสุนันทาอุบาสิกาชาคก็ขณะที่ให้ทานจิตป ร, ราศจากเครื่องกิเลสเครื่องเสองโมงเองจิตเพราะบางครั้งก็เวลาเราให้ทานก่อนให้ทานจิตสงบมากแต่หลานจ้าให้ทานฟุ้งซ่านจิตตก ตสะงุดงิดปฏิฆาเกิดขึ้นแสดงว่าก่อนให้ทานหลังให้ทานเป็นยังไงแย่กว่าเดิมอีกแสดงว่าลักษณะฉากะเจริญขึ้นไหมไม่เจริญนี่คือวีที่ฝึกฉากานะโยบว่าบางคนคิดว่าวิที่ฝึกฉากะคือให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่ให้ทานให้ทานไปด้วยแต่ทาให้จิตปราศจากเครื่อ ง, องเศาม่งแห่งจิต นี่คือลักษณะของชาคะให้ไปด้วยละความตนีไปด้วยให้ไปด้วยทําให้จิตเบิกบานไปด้วยให้ไปด้วยทําให้ลาราคา้าทูซาโมะไปด้วยนี่คือวิธีการเจริญชาคะนี่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าแบบการให้ทานมีการทําบุญเยอะแต่ทําบุญทุกประการเราไม่ได้บอกว่า เขาเจริญชาคานะโยแต่อีกเรื่องหนึ่งทำบุญแบบไหนก็ตามเป็นสิ่งที่นอนุโมทนาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งพระ บ, บรมศาสดาสัตว์ไว้ว่าฐานัมพิกวีสัพพุริสปัญญาตังปัณดิตปัญญาตังการให้ทานเป็นสิ่งที่สัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญบัณดิตสรรเสริญ การให้ทานประเภทอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่สันบุรุษบัณฑิตสรรเสริญดังนั้นยังไงก็ปวกเราไม่สามารถจะดูมินดูถู ก, กันการให้ทานทุกประการไม่ได้แต่อันนี้คือการให้ทานของสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การให้ทานธรรมดา โดยการให้ทานเจริญกุศลแล้วทำอย่างหนึ่งคือฉาคะดังนั้นเห็นไมมโยงการให้ทานจะเป็นฉาคะยังไงอะไรก็เรื่องที่สำคัญเจตนาความตั้งใจในการละราคะทุะโมหะแล้วก็เวลาให้ทานให้ทานกับทุกคนที่ตรงการ ไม่ใช่ว่าสำหรับพระภิกษุสง์อย่างเดียวนี่เป็นลักษณะของชาคะอีกอย่างหนึ่งนะยว่าบางคนอน่ถ้าเป็นพระภิกษุสงก็ให้ทานแต่แต่คนอื่นน่ไม่ให้แต่ลักษณะคงมีชาคะมีคำหนึ่งเรียกว่าเป็นยังไง วิคตามัม จ, จรัมลีนเจตสาอาการังอัชาวสติดำรงชีวิตโดย ก, การล่าความตะนนีอันเป็นมนตมงดทินห่งจิตมีคาว่าอย่าจะอยู่กูเขาเป็นคนที่ควรขอใครก็ทามเขาเป็นคนที่ควรขอเวลามันไม่ถึงอะไรโยกถ้าใครมาขอ เขาไม่ได้รู้สึกแบบลำคาญหรือไม่พอใจไม่ยินดีถ้าลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าลักษณะยาจะอยู่ขู่ยังไม่เกิดขึ้นยังเคยเห็นไม่บางคนบอกว่าเขาชอบใครแต่ถ้าใครมาขอไม่ชอบใครเคยเห็นว่มยังบางคนพูดแบบนี้แหละทำให้ขอ้ขอเขาเขาใครแต่ขอไม่อยากใครเวลาขอเขาไม่พอใจ แต่มนก็เกิดเจอคนพูดแบบนี้แหละทราบถึงไม่ขอให้เต็มที่เลยแต่เมื่อไรจะขอมไม่อยากให้ลักษณะเป็นกองชาคะยังไม่เกิดขึ้นพระพุทธจาตรัสไว้ว่าเขาเป็นผู้ยาจจโยโขกวรขอสำหรับผู้อื่นกขาเลกสุนันดาอุบาสิกาม่ลักษณะแบบนี้นะโยม แค่ใส่บาตรอะไรก็มันการเกินสุขุกีิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยนี่คือวิธีการทาให้การให้ทานของเรานี่แหละอัพเกรดถึงจาค่ะคืนมาถึงระดับชาค่ะดังนั้นผูกโยงทั้งทั้งหลายต้องทําตัวเองว่านี่แหละเมื่อวานก็ทาบุญวันนี้ก็ทาบุญเดียวอาทิตย์หน้าจะไปทาบุญแต่การทาบุญของเราเป็นระดับจาค่ไหม เพราจะจาก่าเป็นลักษณะของอริยปุกกล